พระไตรปิฎกภาคปฏิบัติหลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโนเราไม่ไปหาออจากตำรับตำราที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หาในตำรบตำราพระสงฆ์สาวกไม่หาในตำราเพราะแต่ก่อนตำรายังไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ตำราเลยพระสงฆ์สาวกเป็นองค์ตำราเลย เวลาท่านเทศท่านถอดออกจากนี้เทศสอนทั่วสามแดนโลกธาตุเทวดาอินพรมเทศได้สอนหมดออกจากพระไทยพระพุทธเจ้าล้วนๆที่ท่านทรงไว้แล้วเต็มอัดเต็มธรรมจากนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายเมื่อรู้แล้วก็ถอดออกจากนี้สอนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมแท้จึงอยู่ที่หัวใจที่ไปจดจารึกในคำภี ท่านถอดออกจากนี้ไปไปเป็นคำภีเรียกว่าพระไตรปิฎกนั้นพระไตรปิฎกนี้ซึ่งมีเกิดขึ้นทีหลังที่เป็นธรรมะแท้นั้นอยู่กับพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านเพราะฉะนั้นจึงควรพูดได้อย่างสมัยปัจจุบันนี้เรียกว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกพระไตปิฎกในคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต ท่านทรงไว้บริสุทธิ์ล้วนๆพระไตยปิดกนอกแยกออกไปจดเป็นคำภีใบลานจึงแยกเป็นสามประเภทพระวินัยปิฎกแยกออกไปพระสุตตันตปิดกแล้วก็พระอภิธรรมปิดกเป็นสามปิดกด้วยกันเวลาแยกแล้วท่านถอดออกจากการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าบรรดาคณอาจารย์ทั้งหลายไปจดจาวรึกออกมา ได้มาจดไปไว้ในคำภีนั่นเรียกว่าพระไตรปิฎกนอกพระไตรปิฎกในคือพระพุทธเจ้าพระอรหรันต์ท่านท่านทรงไว้ในธรรมอันสมบูรณ์แบบถอดออกจากนี้ไปก็ไปเป็นคำภีจึงเรียกว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกเราแยกออกไปอีกได้อีกพระไตรปิฎกตาบอด พระไตรปิฎกตาดีคำว่าพระไตรปิฎกตาบอดคือยังไงพวกเราเราท่านท่านเนี่ยเป็นคลังกิเลสด้วยกันธรรมะพระพุทธเจ้าที่จะแสดงบริสุทธิ์สุดส่วนขนาดไหนก็ตามก็คนมีกิเลสไปเรียนไปจดไปจำมันก็ต้องคลุกคลาวไปด้วยกิเลสความมัวหมองจนได้ธรรมะจึงไม่สมบูรณ์แบบ เรียกว่าพระไตปิฎกตาบอดคือใจมันบอดอยู่ธรรมะกระจ่างแจ้งก็จริงแต่ใจมันบอดด้วยกิเลสตัณหาครอบงําอยู่นั้นเวลาไปคลุกเคล้ากับธรรมะธรรมะก็เลยมัวหมองไปด้วยผิดผิดพลาดพลาดไปบ้างแต่พระไตปิฎกตาดีอย่างพระพุทธเจ้าทรงสว่างกระจ่างแจ้งในพระไทย กระจางครอบโลกทาตพระอรหันต์ก็กระจางแจ้งเต็มภูมิของท่านนี่เรียกว่าพระไตปิดกตาดีผู้สว่างกระจางแจ้งได้แก่ผู้บริสุทธิ์ทรงธรรมนี้ไว้จึงสว่างกระจางแจ้งนี่เรียกว่าพระไตปิดกตาดีพระไตปิดกตาบอดคือพวกเรารท่านท่านนี่ละ ไปจดจ้าวรึกมาว่าบาปสงสัยบาปว่าบุญสงสัยบุญทั้งทั้งที่บาปบุญท่านสอนไว้ตามหลักความจริงแต่กิเลสความมัวหมองมืดตืเวลาไปเรียนมาแล้วจำมาแล้วก็หืบาปมีจริงๆเหรอเนรกมีจริงๆเหรอบุญมีจริงๆเหรอสวรรค์มีจริงๆเหรอสุดท้ายลบมีจํานวนมาก บาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระ ม, มโรคนิพพานไม่มีสิ่งที่มีคืออะไรก็คือความทะเยอทยานคว า, ยความดีความดินความหลงเนื้อหลงตัวนี่คือกิเลสทั้งนั้นมันปิดบังหุ้มหอทางดีไว้สหมดคนเราจึงไม่กลัวบาปทั้งๆ้งที่บาปมีมาตั้งกี่กับกี่กันมีมาตลอดบุญมีมาตลอด พวกนรกอเวจีเหล่านี้มีมาดั่งเดิม